นั่งสงบพระไม่จำเป็นต้องมากราบล่ะนั่งสงบดูหัวใจตัวเองนั่นนะาการถ่ายภาพให้ระวังนะเคยเตือนเสมอเวลาเทศการถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงเพราะการถ่ายภาพ เป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังอย่างมากทีเดียว <c oughs> เพราะเทศธรรมมป่าไม่ได้เหมือนธรรมมาบ้านนะเจียงขอเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันธรรมาบ้านนะั้นคือว่าต่างคนต่างศึกษาแล้วเรียนมาอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เคยผ่านธรรมบ้านมาแล้วเรียน นได้เป็นมหาบัวนี่คือธรรมะบ้านทั้งนั้นเราเรียนจดจํามาจดจํามาจากตำรับตำราจะมีอะไรมากระทบกระเทือนความจําของเราก็มีอยู่แล้วเราก็พูดไปตามความจําของเราได้สะดวกสบายไม่มีอะไรขัดข้องได้เลยแต่ทางภาคปฏิบัตินี้ผิดกันอยู่มากทีเดียว อันนี้ก็เราเอาตัวของเรายันเองเพราะทางภาคปริยัตเราก็เรียนมาแล้วเวลาเทศนาว่าการนี้เทศไปตามปริยัตคือเทศปริยัตนั้นจิตจะออกข้างนอกวิ่งใส่คำพีนั่นวิ่งใส่คำพีนี้วิ่งใส่เล่มนั่นเล่มนี้พาสิทนั่นคาถานี้ตามคำพีต่างๆ จิตจะไม่อยู่ข้างในจะวิ่งไปตามตำรับตำลานี่คือความจำ <c oughs> เพราะเราเราจำได้จากตำรับตำลา <c oughs> จะมีเสียงกระทบกระเทือน <c oughs> เสียงอะไรอะไร <c oughs> ก็ไม่สนใจได้ไม่สนใจเทศไปตามความจำได้ตามสะดวกสบาย <c oughs> แต่เทศทางด้านปฏิบัตินี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> พูดให้ตรงวันนี้เราจะพูดเป็นกันเองให้ลูกให้หลานทั้งพระทั้งเนรลูกหลานทั้งประชาชนได้ทราบถึงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมในธรรมนอกพระไกรปิฎกในพระไกรปิฎกนอก เราแยกออกไปอีกว่าภักกลปิดกตาดีภัไกลปิดกตาบอดแยกให้เห็นชัดเจนทอออกมาจากภาคปฏิบั tn ี้เอในคัมภีร์ท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าภัไกลปิดกนอกภักกลปิดกในภัไกลปิดกตาบอดภัไกลปิดกตาดีแต่ภาคปฏิบั tn ี้ค้นออกมาตามหลักความจริงเลย จะว่าป่าหรือ บ, บ้านก็แล้วแต่แต่สม้มาหลักความจริงแล้วไม่มีคำว่าป่าว่าบ้านเป็นความจริงล้วนไม่ผิดพลาดไปไหน <c oughs> ดังที่ว่าพระไกรปิฎกนอกนั้นได้แก่พระไกรปิฎกที่เราเรียนจดจำมานี้เช่นพระวินัยปิฎก <c oughs> คำว่าปิฎกปิฎกนั้น เป็นภาษาบาลีแปลออกแล้วแปลว่าภาชนะหรือตะกรา้าสำหรับรับรองพระวินัยจึงเรียกว่าพระวินัยปิดกพระสู ต, ตันตะปีดกรับรองพระสูตรพระอภิธรรมปีดกนั้นเป็นภาชนะสำหรับรับรองพระอภิธรรมรวมแล้วเป็นสามพระไกรปีดก <c oughs> ที่ท่านจดจารึกออกไว้เมื่อสังคายนายผ่านไปแล้วหากว่าจำไม่ผิดก็คงในราวสังขายานายครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่นี่เพราะก็เรียนมานานจำไม่ค่อยได้หากเป็นความจริงว่าจดจารึกมาที่หลังเมื่อสังคายนายร้อยกรองพระธรรมเนาจากการประชุมของพระสาวกท่านมาโดยลำดับ ถึงขั้งที่สามที่สี่นี้ท่านวิตกวิจาร์ถึงเรื่องร่องรอยแห่งศาสนาอันเป็นหลักความจริงนั้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ <c oughs> ในอัดในธรรมจริงๆจะค่อยร่อยหลอไปเป็นลำดับลำดาแล้วต่อมาก็จะค่อยสิ้นสูญไปจะไม่มีร่องรอยติดให้คุณระบุสุดท้ายภายหลังระยึดในปฏิบัติเป็น คติตัวอย่างต่อไปเลอท่านจึงประชุมกันจดจารึกในเวลาสังขายนายดูจะเป็นครั้งที่สามนี่แหละแล้วจึงเป็นพระไกรปิฎกออกมาดังที่เราเห็นนี่แหละพระสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระ毗รมปิฎกท่านจดจารึกมาในคราวนั้นแล้วจึงเป็นไปตาม มีในคำพี์ใบลานให้เราได้เขียนได้อ่านได้ท่องบนสังวัตยายเรื่อยมา <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่าพระไกรปิฎกนอกคือไปจด จ, จารึกมาจากความจำที่ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงรู้แล้วเห็นแล้วอย่างไรแล้วระจดมาจากความความจริงของท่านมาเป็นความจาของพวกเรา จึงเรียกว่าพระไกรปีฎกนอกส่วนพระไกรปิฎกในนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าและพระหันท่านทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์เต็มแม็ดเต็มหน่วยเป็นความจริงล้วนๆภายในใจของท่านทั้งสามพระไกรปิฎกนี้แต่ก่อนท่านไม่ให้ชื่อว่าปีฎกนั้นปีฎกนี้มาแยกออกตอนเมื่อสังขายานายแยกเป็นประเภทประเภท ส่วนไหนที่ควรจะเรียกชื่อว่าอย่างไงเช่นพระวินัยนี้เป็นกฎหมายของพระเป็นวินัยของพระเครื่องบังคับของพระปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนั้นโดยถูกต้องเรียกว่าพระวินัยปีดกนี่ถ้าเรียกเป็นภาษาโลกก็เรียกว่ากฎหมายพระ <c oughs> มีการปรับโทษเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่าง ตามความล่วงเกินของผู้ทาผิดนั้นตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่สุดถึงขาดจากพระก็มีนี่เรียกว่าพระวินัยปีดกกฎหมายพระนั่นสุตันตปีดกได้แก่พระสูตรที่แสดงเรื่องราวต่างๆเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลทำดีทำชั่วไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพาน เสวยกรรมประเภทต่างๆตามอำ น, นาจแห่งการธรรมของตนที่ดีชั่วหนักเบาต่างกันนี่ท่านเรียกว่าพระสุตตปิดกส่วนพระวินัยปิดกนั้นโอภาภิธรรมปิดกได้แก่แสดงทางด้านจิตใจคือกิตตภาวนารวน้วๆจึงเรียกว่าพระอภพิธรรมปิดกแปลว่าธรรมอันสูงสุด ตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงทรมันสูงสุดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจล้วนวนนี่เรียกว่าอาภิธรรมปีดก <c oughs> เริ่มตั้งแต่สมาธิปัญญาไปเรื่อยๆนี่อบรมจิตใจทางด้านสมาธิปัญญา <c oughs> นี่เรียกว่าพระวินัยปีดกนี่เรียกทั้งหมดที่เราเหล่านี้เรียกว่าพระกายปีดกนอก พระไกปิฎกในท่านทรงไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้โยมให้ชื่อให้นามว่าเป็นพระไกรปิฎกใดพระไกปิฎกใดแต่พระพุทธเจ้าพระหรันท่านทรงหลักความกิงของพระไกรปิฎกเหล่านี้ไว้โดยสมบูรณ์เต็มเหนียวนั่นเรียกว่าพระไกปิฎกในส่วนพระไกปิฎกตาบอดนั่นหมายถึงผู้ที่ครองพระไกรปิฎก เรียนจดจำพระไกรพิฎกมาตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งจบพระไกรพิฎกก็ตามแต่ยังมีกิเลสครองในหัวใจความมืดมัวมืดบนอนตะการซึ่งมีอยู่กับกิเลสนั้นครอบงำจิตใจอยู่ถึงจะเรียนไปได้มากได้น้อยเพียงไรก็ตามก็ยังมืดยังบอดยังหลวต่อความจริงทั้งหลายที่พระไกรปิฎกนั้นๆบอกไว้ เช่นท่านว่าบาปมีก็เชื่อหรือจําได้แต่ชื่อว่าบาปมีบุญมีก็จําได้แต่ชื่อว่าบุญมีแต่ไม่เคยเห็นบุญและบาปประจักษ์ใจของตนนี่เรียกว่าเพียงความจําได้ไม่เหมือนท่านที่รู้จริงเห็นจริงเห็นทั้งบาปรู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพาน ตลอดสัตว์ประเภทต่างๆท่านรู้ได้หมดส่วนส่วนความจำนั้นเป็นแต่จำได้แต่ชื่อแต่ตัวไม่เห็นเช่นเราจำว่าโคว่ากระบือว่าสัตว่วาเ ส, สือต่างๆหรือว่าผู้ว่าคนหญิงชายแต่เราไม่ได้เคยเห็นสัตว์เห็นเสือตัวนั้นๆที่ระบุชื่อออกมาว่า เป็นสัตว์อย่างนั้นเป็นสัตว์อย่างนี้เช่นเป็นเสือเป็นช้างเป็นงูเป็นปลาเป็นผู้เป็นคนเราจำได้แต่ชื่อเฉยๆตัวของชื่อนั้นะธรรมชาติตัวจริงนั้นเรายังไม่เห็นนี่ละที่ที่เราเรียนมาที่ว่าภาคความจำอันจำได้แต่ชื่อเท่านั้นตัวจริงยังไม่เห็นเลย <c oughs> ส่วนพระพุทธเจ้าพระหานท่านท่าน รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทุกอย่างทั้งชื่อทั้งตัวจริงถ้าว่าโคก็ทั้งชื่อโคทั้งตัวโคท่านเห็นพร้อมกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดท่านเห็นได้ทั้งชื่อเห็นทั้งตัวของมันนี่ว่าบาปท่านก็รู้ทั้งบาปเห็นทั้งบาปรู้ทั้งบุญเห็นทั้งบุญรู้ทั้งนรกเห็นทั้งนรก รู้ทั้งสวรรค์เห็นทั้งสวรรค์รู้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานเห็นได้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานรู้ได้ทั้งสัตว์ประเภทต่างๆทั่วตรโลกธานนี้ซึ่งเสวยกรรมของตนพวกเป็นเปรตเป็นผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั่วแดนโลกธานนี้มีมากขนาดไหนท่านรู้ไปหมดท่านเห็นไปหมดนี่เรียกว่า ทั้งจำได้เรียก ว, ว่าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งจำได้ชื่อด้วยทั้งเห็นตัวของความจริงทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนี่จึงเรื่ยงความจำกับความจริงจึงต่างกันมากทีเดียว <c oughs> ความจำนั้นจำได้แต่ชื่อเช่นจำว่ากิเลสมีความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่ภายในใจของสัตว์ ภายในใจของเขาของเราของท่านของเราก็จำได้แต่ชื่อกิเลสประเภทนั้นๆแต่ยังไม่ได้สนใจดูกิเลสแก้กิเลสประเภทใดๆออกจากใจแม้จะจำได้หมดโคดบทแท่ของกิเลสจนถึงรากแก้วลากขอย ลงไปถึงอวิชาซึ่งเป็นโคตรแท่ของเกลเลสทั้งหลายก็จำได้แต่ชื่อแต่นามแต่ไม่สามารถที่จะถอดถอนเกิเลสทั้งหลายตั้งแต่ส่วนย่อยย่อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่สุดนั้นได้แม้แต่น้อยเลยจึงเรียกว่าความจำจำได้เฉยเฉยจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวไม่ถอดถอน กิเลสเหล่านั้นได้จากกิจใจนี่เรียกว่าภาความจำความจำกับความจริงจึงต่างกัน <c oughs> ทีนี่ความจริงเอาอย่างเข้าไปตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นพระบวชมาในแบบพุทธศาสนาท่านประกาศเป็นหลักส่วนใหญ่ไว้ว่าพระมีศีลสองรอยี่สิบเจ็ด แล้วอนุบัญญัติมีน อ, นอกกว่านั้นไปอีกเยอะท่านพยายามรักษาศีลได้ทุกข้อทุกกระทงทุกสีขาบทที่เรียกว่าเป็นกฎหมายพระท่านปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีด้วยความรักความสงวนศีลของท่านอย่างแท้จริงไม่ยอมให้สิ่งใดมาแต่ต้องทําลายศีลของตนให้ดับพร้อยและขาดทะลุไปได้เลย ท่านผู้รักษาศีลด้วยความระมัดระวังด้วยความรักสงวนเช่นนี้ย่อมเป็นผู้มีศีนอันบริสุทธิ์ท่านผู้มีศีนบริสุทธิ์ย่อมประจับใจตนเองและอบอุ่นภายในตัวของเราว่าเราเป็นผู้มีศีนบริสุทธิ์อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจและแน่ใจที่จะไปสู่คติที่ดีเช่นโลกสวรรค์เป็นต้นนี่ นี่ก็เรียกว่าความจริงท่านปฏิบัติจริงๆท่านรักษาจริงๆศีลของท่านก็บริสุทธิ์จริงๆท่านมีความอบอุ่นภายในจิตใจของท่านจริงๆงประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดจากนั้นท่านก็ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเบื้องต้นได้เรียกว่าแล้วว่าภาคความจริงคือภาคปฏิบัติตามที่ได้เรียนมาแล้ว เหรนศีลสองยยีเ็เลียนมาแล้วก็มาปฏิบัติตามศีลสองร้อเจ็เป็นพื้นฐานสาคัญนั้นให้ได้ทุกสิกขาบทก็เรียกว่าเป็นความจริงผลขึ้นปรากฏขึ้นก็เป็นความจริงแก่เจ้าของให้เกิดความอบอุ่นตายใจได้สะดวกสบายทุกอิริยาบทนี่คือความจริงได้ประจักษ์แล้วกับท่านผู้รักษาศีล ทีนี้ผู้บำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่บริกรรมภาวนาท่านสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนานี้ได้แก่การอบรมจิตใจของเราซึ่งวอกแวกครอนแคลนดีดดิ้นตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไป เราก็สังรวมจิตของเราที่วอกแวกคลอนแคลนนั้นด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกาะเอาไว้ให้ดีด้วยสติกำกับรักษามีสติกำกับเช่นผู้ภาวนาพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีให้มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมของตนที่นำบริกรรมนั้น ไม่ให้เผอไปไผลไปไหนสังสมอบรมสติให้ดีตลอดเวลาด้วยการบำเพ็ญภาวนาเ <c oughs> <asure S 1> มื่อบำเพ็ญอยู่างนี้โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถเฉพาะอย่างยิ่ยงพระเราที่บวชมาเพื่อมรักผลนานจึงต้องถือจุดนี้เป็นสำคัญในงานของเราว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่มากที่สุดคืองานของพระ เพื่อถอถอนกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกหรือมหาภัยออกจากจิตใจไปด้วยการบำเพ็ญเริ่มต้นตั้งแต่ศีลขึ้นมาแล้วก็ขยับเข้าไปสู่ทางด้านสมาธิบริกรรมภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังไม่ยุ่งกับหน้าที่การงานของสิ่งภายนอก มีแต่การระมัดระวังรักษาวิธีจิตใจของตนที่จะคิดปรุงแต่งไปยในแง่ใดาตามอำนาจของกิเลสฉุดลากไปเราพยายามระมัดระวังผูกจิตนั้นไว้ด้วยคำบริกรรมมีสติเป็นเครื่องกำกับไม่ให้เผลอไผลไปไหนเมื่อได้จิตได้รับการบำรุงรักษาอยู่เช่นนี้ ความดีดดิ้นของจิตซึ่งเป็นไปตามอํานาจของกิเลสนั้นแม้จะรุนแรงขนาดไหนก็ตามก็จะค่อยอ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวเข้ามาสู่ความสงบเย็นเพราะอํานาจแห่งคําบริกรรมปักหลักผูกมัดจิตนิวาไม่ให้คิดไปในแง่ของกิเลสให้คิดในแง่ของธรรมอย่างเดียวคือคําบริกรรม แล้วจิตที่ไม่เคยสงบก็จะสงบตัวเข้ามาจิตสงบตัวเข้ามานั้นคือไม่คิดไม่ปรุงเรื่องราวยุ่งเหยิงให้ก่อความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจดังที่เคยเป็นมาเป็นความสงบร่มเย็นกับบทธรรมที่ตนบุรีกรรมนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นก็เริ่มตั้งรากฐานได้มีความสงบเย็นขึ้นมาเพราะสะติ บ, บังคับไม่ให้จิตชิดแสสายไปตามทางของกิเลสให้คิดเฉพาะคำว่าพุทธโธซึ่งเป็นคำรรบริกรรมตามจะหลีดติดสัยของผู้ชอบคำบริกรรมใดให้ยึดนั้นเป็นหลักไว้ผูกมัดไว้กับํำบริกรรมนี่เรียกว่าฝึกจิตให้จิตได้รู้ได้เห็นตัวเอง เพราะตามธรรมดาจิตจะไม่ค่อยรู้ตัวเองไปรู้กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของหลอกลวงคือกิเลสหลอกลวงไปไปรู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไปเห็นในรูปในเสียงในกลิ่นและรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นการการสั่งสมกิเลสอันเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้ตลอดเวลา จิตที่เคยคิดอย่างนั้นเมื่อแดมนาจแห่งธรรมเข้าบังคับจิตใจแล้วก็จะสงบตัวเข้ามา <c oughs> เบื้องต้นต้องใช้ความบังคับจริงจังจะทำาละหรอกได้แหล ะ, ละไม่ได้นักภาวนาเราต้องเอาให้จริงให้จังสมกับว่างานนี้เป็นงานเพื่อรื้อถอนกิเลสเป็นงานอันจำเป็นของพระผู้ต้องการมรรคผลนิพพาน งเอาจริงเอาจังไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนสติกับจิตอย่าให้เผลอกันกับคำบริกรรมสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นคำบริกรรมให้มีความหนักแน่นต่อการรักษาจิตดังที่กล่าวมานี้สำหรับผู้ที่มีจิตที่เป็นสมาธิคือความสงบใจได้แล้ว ความสงบใจหลายครั้งหลายหนที่เกิดขึ้นจากจิตรวมจิตสงบเข้าไปนั้นจะสร้างฐานตนเองขึ้นมาให้เป็นความแน่นหนามั่นคงภายในใจเมื่อสร้างฐานขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงจากความสงบหลายครั้งหลายหนนั้นจะเป็นตั้งเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนาของใจ ใจนั้นจะมีจุดเด่นแห่งความรู้ประจำตนเองความรู้ที่ประจำตนเองอยู่ภายในนั้นคืออยู่ภายในทวงอกอยู่ในท่ำกลางอกของเรานี่แหละจิตแท้ความรู้แท้อยู่ที่จุดศูนย์กลางนี้ไม่ได้อยู่บนสมองไม่ได้อยู่ที่สถานที่อื่นใดบนสมองเป็นสถานที่ทำงานของความจดความจำ แต่ของความจริงคือ บ, บทบริกรรมภาวนาเป็นต้นแล้วจะอยู่ที่ทํากลางอกจิตเมื่อเวลาสงบเข้าไปมากน้อยจะสงบเข้าไปที่ทํากลางหัวอกเรานี่แหละ <c oughs> ทีนี้เมื่อจิตมีได้รับความสงบหลายครั้งหลายหนมีกําลังมากขึ้นก็ตั้งฐานเป็นความมั่นคงขึ้นมาได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตเป็นสมาธิ คือความแน่นหนามั่นคงจุดเด่นแห่งความรู้อยู่ที่ใจตลอดเวลาแล้วผู้นั้นจะปล่อยวางคำบริกรรมที่เคยทำมาก็ได้แล้วมาจิดเอาความรู้นี้เป็นที่ตั้งสติสติให้อยู่กับความรู้นี้ไปตลอดเวลาเช่นเดียวกับเคยอยู่กับความบริกรรมตลอดมาเช่นนั้นเหมือนกันมาให้ปล่อยวางนี่เรียกว่า งานของจิตนี่เริ่มต้นแล้วที่นี่เป็นงานความจริงให้รู้ขึ้นมาทีนี้จิตไม่เคยสงบก็รู้ขึ้นมาเป็นความสงบภายในใจจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เริ่มเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่แน่นหนา ม, มั่นคงพระหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นอยู่ภายในจิต ด, ด้วยความรู้ความเด่นชัด แล้วความสว่างสวัยปรากฏเด่นอยู่กับความรู้ที่แน่นหนามันคงนั้นให้สติตั้งอยู่ตรงนั้น <c oughs> นี่พอจิตมีสมาธิสมควรที่จะคลี่คลายออกทางด้านปัญญาเพื่อเจริัในหาเรื่องของกิเลสพอจิตพอเข้าสู่ความสงบจนเป็นสมาธิแล้วจิตจะละลอมกิเลสความฟุ้งซ่านลำคาญกับอาการต่าง ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกว่านหาฝืนหาไฟมาเผาตัวเองก็จะจางลงไปจางลงไปเพราะจิตมีอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงได้แก่วความสงบเย็นใจ <c oughs> แล้วให้จากนั้นให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาคือความฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุ ก, ทกมุมเริ่มไปจากปัญญานี่เรียกว่าแหลมคมละเอียดสุด สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาปัญญาเป็นขั้นขั้นไปให้นำจิตของเราที่สงบนี้ออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งดังอุบชาท่านมอบอาวุธอันสำคัญให้นักบวชเราขึ้นต้นก็ว่าเกษาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขน นาขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฝันตะโจแปลว่าหนัง <c oughs> นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่มันปิดบังที่สุดให้หนาแน่นที่สุดคือภูเขาลูกนี้ภูเขาทั้งหลายแม้จะแน่นหนามั่นคงหรือหนักขนาดไหน ไม่มีใครไปแบกไปหามเขาก็ไม่รู้น้ำหนักของเขาแต่ภูเขาภูเราคือร่างกายของหญิงของชายนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นของจิตแบกหามตลอดเวลาหนักอึ้องยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะอีกเราจรึงต้องคลี่คลายดูภูเขาลูกนี้ให้ชัดเจนแยกดูผมดูขนดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เข้าไปไภายในแยกส่วนแบ่งส่วนอสุพะอสุพังอันนี้งงทุก ข, ขังอนาตาให้กระจายออกไปจากสัตว์จากบุคคลจากหญิงจากชายจากคำว่าสวยว่างงามดูตามสภาพของมันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเข้าไปหาหนังหนังเป็นเครื่องหุ้มหอพรางสายตาของโลก ท, ทั่วไปให้ลืมไปหมดว่า เป็นอะไรบ้างอยู่ข้างในนั้นไม่เห็นให้เห็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปหมดเพราะอำนาจแห่งหนังบา ง, บางๆเท่านี้มันหุ้มห่อเอาไว้เวลาขี้คลายดูตามหลักธรรมชาติเหล่านี้เข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามมีแต่ของอสุภะอสุภางปฏิกูลโสโครกทั้งเขาทั้งเราทั้งภายนอกภายในดูลึกเข้าไปเท่าไหร่ ยิ่งเห็นความสกปกโสมมของภูเขาภูเราลูกนี้ที่เรายัดยืดมั่นถือมั่นย่างแน่นหนะแน่นหนามัน่นคงปัญญาสอดส่องเข้าไปจะคลี่คลายเห็นตามหลักความยิงยิงแล้วจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาแล้วความหนักของอุปท า, านที่ยืดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ ก็เบาลงไปทำตามกันนี่เรียกว่าปัญญานี่ะลักจากถอดถอนรกิเลสและกลาวนี่ถอดถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมให้มันวุ่นวายสายแสยยุแก่ก่อควรตัวเองมากไปนี่พอจิตมีอารมณ์สงบเย็นแล้วเรียกว่าจิตอีมจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์ เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วให้พาออกขี้คลายทางด้านปัญญา <c oughs> คิเลสมันจะแทรกอยู่ตามผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงข้างนอกข้างไหนนั่นแหละแล้วขี้คลายเข้าไปให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถอนจิตความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเข้ามาสู่หลักธรรมชาติคือใจคือใจใจยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาปัญญายิ่งมีความฉเฉลียวฉลาดแหลมคม พิจนาตรงไหนตรงไหนขาดกระจายขาดกระจายนี่เรียวกับปัญญาทำงานโ <c oughs> จนกระทั่งถึงว่าร่างกายนี้นี่ขอสรุปความให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายยืดไปเป็นกติซึ่งเป็นที่แน่ใจว่าสอนนี้ไม่ผิดเพราะเราได้เคยผ่านมาแล้วอย่างโชคโชนจึงได้นำมาสอนพระลูกผารานให้ยืดไว้เป็นหลักเกณ์อย่างตายตัว ไม่มีเครื่อแงแปรสงสัยว่าทรรมที่สอนนี้จะผิดไปแล้วให้พิจรารณาร่างกายนี้ซ้ําๆำสักสกักจนกระทั่งมีความคล่องแคล่วว่องไวจนกลายเป็นหลักธรรมชาติขึ้นมาคือความคล่องแคล่วเป็นเองเป็นเองขึ้นมาเพราะจากนั้นแล้วกพอรู้ตัวชัดเจนแล้วธรรมชาติที่รู้ที่เห็นเหล่านี้มนก็จะหมุนตัวเข้าไปข้างในใจของเรา ความว่าสุภาพความไม่สวยไม่งามก็ดีความสวยความงามก็ดีแล้วที่เราพิจารณาทั้งหลายเหล่านี้มันออกมาจากไหนมันก็จะวิ่งเข้าสู่ใจตัวสำคัญมั่นหมายอาการเหล่านี้เช่นอัตุภาอสุพังมันก็จะถูกใจดึงดูดเข้าไปหาใจตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของใจเสเองเป็นผู้หอลอกหลงตัวเองทั้งส่วนสุภาพ อสุภะสวยงามไม่สวยงามเป็นเรื่องของใจหลอกลวงตนเองยีดบัญชะสลัดตัวนี้ออกไปแล้วมันก็ปล่อยความกังวลแต่ต้องอาศัยการพิจารณานี่ซ้ำๆซากๆเรียกว่ากับความยึดมัน่นถือมั่นในส่วนร่างกายของกามกิเรตนี้มันเรียกว่าได้ระดับแล้วถ้าว่า เป็นเรื่องการสอบก็ได้ 50% เปอร์เซ็นถือว่าสอบได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ฝึกซ้อมให้ชำนิชำนาญโดยอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องซากฟอกเป็นเครื่องฝึกซ้อมพิจารณาดังที่เราเคยพิจารณามาโดยลาดับลำนับจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมและรวดเร็วสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเรื่อย ใจของเราก็จะเปลี่ยนจากสภาพที่ได้ระัดระดับนี้ก้าวขึ้น60เอร์็70เขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เรียกว่าพระนาคามีผู้สำเร็จทำขั้นต่าคือขั้นพระนาคามีพอได้ระดับจากนั้นก็ฝึกซ้อมระดับที่ได้แล้วนี่ให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับลำดาแล้วจิตนี้จะละเอียดไปโดยลำดับ เมื่อถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติเป็นลำดับสําหรับการพิจารณาร่างกายในส่วนแรกเราไม่อยากเรียกว่าอัตโนมัติคือมันชลมูลวุ่นวายหมุนติว้วไม่ได้คํานึงถึงอะไรเป็นอัตโนมั ต, ม ต, มติแต่พอถึงขั้นนี้แล้วพอมีช่องมีทางได้ทราบชัดเจนว่าสติปัญญาขั้นสอบหรือว่าขั้นได้ขั้นอนาคามี ได้ระดับ 50% แล้วนี้จะเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองตลอดเวลานี่เรียกว่าท ร, ร ม, มีอำนาจสามารถแล้วที่นี่แก้หรือถอดถอนกิเลสย้อนหลังกลับไปถอดถอนกิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่เคยผูกมัดสัตว์โลกมาโดยอัตโนมัติของมันเมื่อทำมีความแก่กล้าสามารถแล้ว ก็ถอดถอนกิเลสเองอัตโนมัติของตนตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นอสุภะอสุพังถึงขั้นอนาคามีเป็นลำดับลำนาขคา่องตัวเป็นลำดับจนกระทั่งถึงละเอียดสุดอนาคามีละเอียดสุดก็เป็นอัตโนมัติขึ้นไปเรื่อยเื่ยเรื่อยๆฝึกซ้อมตนตลอดไปหากว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่ การฝึกซ้อมการบาเพ็ญเพียรของพระอนาคามีนี้จะสำเร็จขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ตายไปแล้วจิต ด, ดวงนี้เป็นอัตนมัติของตัวเองโดยไม่มีใครบังคับมีต่างกันสองแง่นี้สำหรับผู้สิ้นพระอนาคามีผู้พูดถึงขั้นอนาคามีแล้วนั้นได้ตายไปเสีย จิต ด, ดวงนี้จะหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องมีเครื่องบังคับบัญชาเป็นสมรรถนะจนถึงขั้นสูงสุขที่มุดพระนิพพานเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่าผู้ที่สำเร็จนาคามีแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วประกอบความภาคเพียงนูนกันไปเรื่อยๆผู้นี้ได้สำเร็จรวดเร็วกว่าผู้ที่สำเร็จแล้วตายไปก่อนนี่นี่เรียกว่าทมเป็นอัตโนมัต ถึงขั้นอนาคามีละเอียดสุดยอดลงไปแล้วจิตทั้งหมดที่อาการของจิตร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะค่อยหมดปัญหาไปในเมื่อเวลาเราพิจารณาถึงถึงความว่างเปล่าของขันอันนี้เพราะธาตุขันลูกกายของเรานี้เมื่อพิจารณาชำนี่ชำนานจนหมดปัญหาของมันแล้วร่างกายนี้จะไม่มีภาพปรากฏอยู่จะเหลือเป็นตั้ง ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะว่างไปว่างไปศูนย์เปล่าไปหมดว่างไปหมดเหลือแต่นามมาทำล้นล้วนคือเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณพิจารณานี้ตามต้นเขาไปจนกระทั่งถึงจิตซึ่งเป็นลากใหญ่ของวิชาพาให้สัตว์เกิดสาตายมากี่กับกี่กันไม่มีสุดทิ้นยุติลงได้เลยจิตขั้นนี้จะตามเข้าไปเองโดยไม่มีใครบังคับบัญชา เหมือนว่าไฟมีเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามนั้นตามนั้นอันนี้เชื้อไฟตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสายเดินของเชื้อไฟก็จะตามเข้าไปหาวิชาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็สังขารกันให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปพอวอิชาได้ขาดสะ บ, บั้นลงไปแล้วก็เรียกว่าตามรอยแห่งภบชาติคือความเกิดตายของตน ได้ทิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนั้นเรียกว่าบรรลุธรรมอย่างสุดยอดอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นและพบชาติการเกิดตายเราจะยุติลงโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่เคยไปไทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันธรรมชาติอันนั้นเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่ต้องไปถามกัน พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงไม่จําเป็นต้องถามกันเพราะเป็นอย่างเดียวกันแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติ <c oughs> ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจําเราจําได้เราละกิเลสไม่ได้ไมกิเลสประเภทใดราก็ละไม่ได้แต่ภาคความจริงนี้เริ่มต้นตั้งแต่กิเลส มันหนาแน่นเต็มหัวใจของเรามีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นระงับดับลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมหาสติมห า, มหาปัญญาฟาดกิเลสอย่างละเอียดสุดยอดคืออวิชชาขาดสะบันลงไปจาก จ, จิตใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าปัญญาขั้นสุดยอด ได้สังหารกิเลสให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปจากใจแล้วเรียกว่าบรรลุแล้วซึ่งพระไกรปิฎกในนี่ละพระไกรปิฎกในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านครองพระไกปิฎกในด้วยความไม่สุดของท่านขณะที่อวิชชาขาดสะ บ, บั้นลงไปจากใจนั่นเรียกว่าพระไกปิฎกในด้วยเรียกว่าพระไกรปิฎกตาดีด้วยนี่จึงแยกให้ฟังทั้งสองอย่าง นี่คือภาคปริยัติความจดจำกับภาคปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงนี้ต่างกันมากนี่เราเห็นทั้งชื่อของกิเลสบาปธรรมต่างๆรู้ด้วยละด้วยด้วยในบรรดาสิ่งที่เป็นกิเลสเห็นประจับทั้งจำชื่อได้ทั้งละได้ทั้งรู้ได้ ถอดถอนได้ทุกประการนี่เรียกว่าความจริงต่างกันอย่างนี้เนี <c oughs> ่ยวันนี้ได้พูดธรรมะในภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติยิตตภาวนาให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติตามอุบายวิธีการที่แสดงมาแล้วนี้จะเป็นที่แน่นอนในการปฏิบัติ ให้ดำเนินตามนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจะก้าวเดินเข้าสู่ความสงบมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตใจของเราไม่ได้อยู่การนั่นสถานนี้ที่นี่เวลามเวลานั้นเวลานี้สมัยนั้นสมัยนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกต่างหากความจริงแล้วทำเป็นากาลิโก ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาบามเพนรมเมื่อไรเป็นธรรมเมื่อนั้นบามเพนบุญเมื่อไร่เป็นบุญเมื่อนั้นทําบาปบาปก็เป็นบาปขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาไม่มีคําว่าครึวาลาสมัยคลายขนจ สั่งสมกิเลสความชั่วชา้าละโมกขึ้นมาเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นมาจากผู้ที่สั่งสมมันนั่นแหละผู้ที่สั่งสมทำสั่งสมเมื่อไรทำก็เกิดขึ้นมาในหัวใจของผู้สั่งสมธทำทำกับกิเลสจึงมีผลเสมเอกันตลอดไปทําให้เกิดทำเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้น แล้วมรรคผลนิพพานนรกอเวกีก็ไม่มีคําว่าครึกวราสมัยบาปก็ไม่เคยครึเคยลาสมัยบุญไม่เคยครึเคยล้าสมัยเป็นบาปเป็นบุญเป็นนรกเป็นสวรรค์พรทมโลกนิพพานมาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆทั่วไตรภพมาตลอดอนันตการกีกับกี่กักนไม่เคยมีคําว่าครึกวราสมัยมีอย่างนี้มาประจํา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เวลามาสอนโลกท่านจึงสอนลงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักความจริงนี้มาแต่การไหนไหนด้วยความถูกต้องแม่นยำเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่คาดเคลื่อนไปไหนเลยว่าจะปลอมไปผิดไปท่านตรัสไว้ว่าสวาขาโตภะกวตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีวภาคเจ้าตราสไว้ชอบแล้วคือชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่พลาดแม้แต่น้อยเลยว่าบาปมีมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงๆสวรรค์มีจริงๆพรมโรโลกนิพพานมีจริงๆสัตว์ทั่วแดนโลกทานนี่มีจริงๆิกิเลสมีอยู่ในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันก็มีอยู่จริงๆในหัวใจของเรา ค้านไม่ได้เลยเนี่ยเห็นอยู่ชัด ๆ, ๆนี่แหละให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดมานี้ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญญาลาภของพี่น้องชาวพุทธเราเป็นอย่างมากสัตว์มนุษย์เหล่านี้เกิดมาในโลกนี้เป็นจำนวนมากขนาดไหน <c oughs> เขาไม่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์และพบเห็นพระพุทธศาสนาเลาเลยนี้มีจานวนมากทีเดียว แต่เราเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเราเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้แล้วเรานับว่าเป็นผู้มีวาสนาอยู่มากจึงขอให้พากันอุตส่าห์พยายาม ตะเกียบตะกายบำเพ็ญคุณงามความดีพยายามละความชั่วช้ารลามกอันเป็นภัยแก่ตัวของเราผู้ทำเสียเองอย่าได้ทำอย่าได้ฝ่าฝืนพระบุตรเจ้าซึ่งเป็นการทำลายเราเองให้พยายามละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยความตะเกียบตะกายยากบ้างลำบากบ้า ง, า ง, างอะไรให้ทนเอาหนา คำว่ายากว่าลําบากในการบําเพ็ญความดีนี้มันคือเรื่องของกิเลสมันกีดมันกันขัดขวางเอาไว้ไม่ให้เราทำเราก็อยากทํากิเลสไม่ให้ทําเนี่ยอันหนึ่งไม่ให้ทําอันหนึ่งอยากทํานี่เรียกว่าต่อสู้กันมันลําบากที่ตรงเนี้ยคือกิเลสไม่ให้ทํามันกีดขวางเอาไว้ เราจะทำก็ต้องต่อสู้กับกิเลสมาทำเนี่ยมันยากมันลำบากเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับไว้เท่านั้นนะไม่ใช่ทำท่านทำเราให้ลำบากการสร้างความดีไม่ลำบากสำหรับทำมันลำบากสำหรับกิเลสจีดขวางทางเดินเราให้ทำความดีเท่านั้นเราจึงต้องได้ต่อสู้กับมันที่นี่เวลาเราทำไป หนักเข้าหนักเข้าต่อสู้นานเข้าไปนานเข้าไปความจิดกันของกิเลสนี้จะค่อยบางลงไปบางลงไปการทำงามความดีของเราจะค่อยคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปสุดท้ายเราก็คล่องตัวในการทำความดีและไม่อยากทำความชั่วนี่คือเราได้ใช้ชนะทางชั่วแล้วเรามีหวังจะครองสมบัติคือความดีงามเข้าสู่ใจของเรา ใจของเราเมื่อมีความดีงามคือบุญคือกุศลคือธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจนี้จะมีหลักมีแกนใจนี้มีฝั่งมีฝาใจนี้มีที่ยึดที่เกาะพึ่งเป็นพึ่งตายอะไแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้คนมีบุญมีกุศลมีธรรมในใจแล้วตายเมื่อไหร่ในน้ําบนบก กลางค่ำกลางคืนเวลาไหนไม่สําคัญสําคัญที่ใจมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะแล้วไปดีสถานที่ดีทันทีทันทีผิดกับคนผู้ทําบาปหอบก ร, รรมอยู่มากทีเดียวนั่นก็เหมือนกันเมื่อเวลาทําบาปหอบกรรมเข้าใจว่าทําแล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมการหารชานใช่ต่อการทําความชัวช่วช้าละโมกการหานชานใชยต่อ นรกอเวกีทั้งหลายแล้วยิ่งสร้างตั้งแต่ความชั่วพอเวลาตายแล้วมันก็แบบเดียวกันตายที่ไหนก็คือคนบาปตายตายที่ไหนก็คือคนหาบกรรมอันชั่วชา้าหละมกแล้วก็เผาผู้นั้นแหละไปตลอดอนันตการเจ้งขอละมั่ระวังตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราเป็นชาวพุทธเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกว่าบกพร่อง ที่พึ่งทางใจมากทีเดียวพากันดีดดิ้นตั้งแต่สร่างวัดทางด้านวัตถุเอาจริงเอาจังกับด้านวัตถุเอาเป็นเอาตายเขาว่ากริงเพราะหนึ่งว่าวัตถุนั้นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ชั่วระยะที่เรามีลมหายใจอยู่นี้เท่านั้นนะพอลมหายใจขาดแล้วใครจะมีตึกมี รามกี่บ้านกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็ตามนะหมดวาอหมายลงทันทีในขณะที่เจ้าของสิ้นลมหายใจไปแล้วสิ่งที่ไม่หมดขาอหมายก็คือบุญคือกุศลซึ่งเป็นเรือนใจของเราเป็นสมบัติติดตัวของเราอันนี้ไม่ปราศจากเนี่ยอาที่พึ่งตรงนี้เป็นจำนวนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเรา <c oughs> ไป ยึดไปถือไปวุ่นวายตั้งแต่สิ่งภายนอกเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆทั้งๆ ท, ที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ในพบครั้งหน้าเราตายแล้วหมดความหมายทันทีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็ให้สร้างที่อยู่ที่กินที่อาศัยให้สร้างเพื่อร่างกายของเรานี้มันมีความบกคร่องต้องการอยู่ตลอดเวลา ัพาให้อยู่ให้กินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายเราต้องหาเครื่องบารุงรักษามันไว้ตามความจาเป็นแต่เราจะถือว่าการค้นขวายหาเพื่อธาตุประการ น, นี้จะพาเราไปสวรรค์นิพพานไม่ได้พาไปสร้างบุญสร้างกุศลต่างหากพาให้เราไปอันนี้เราสร้างไว้เพื่อร่างกายมีบ้านก็เพื่ออยู่ของร่างกายมีอาหารก็เพื่อกินมีเครื่องใช้ไม่สอยก็เพื่อ อยู่เพื่อกินเพื่อหลับเพื่อนอนของร่างกายเพียงเท่านั้นเมื่อร่างกายหมดความหมายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายไปทันทีเรียกว่าหมดที่พึ่งแล้วทางร่างกายที่ทางด้านจิตใจเราไม่ได้ถือว่าเป็นของสําคัญเราก็ไม่มีที่พึ่งตายแล้วจมนาลกได้เนี่ยจึงพากันจอดแสวงหาที่พึ่งเสียเป็นสําคัญมากนะการภาวนาที่อธิบายในเบื้องต้นนี้ นี่เป็นหลักจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะาทั้งพระนะให้สร้างจิตใจด้วยภาวนานี่เป็นหลักอันสำคัญมากเรียกว่าเรือนใจที่พึ่งของใจถ้าผู้ใดมีความหนักแน่นทางภาวนามากเท่าไหร่ยิ่งจะเห็นสรณะคือความเด่นชัดของที่พึ่งปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาเป็นลำดับไปจนกระทั่งกระยิมตัวได้จะตายเมื่อไรตายถือหัวใจดวงนี้ไม่เคยตาย สว่างจ้าอยู่ภายในใจนี้จะตายได้อย่างไรมันก็ชัดในใจนี่เรียกว่าอบอุ่นผู้มีหลักทางใจเป็นความอบอุ่นมากยิ่งกว่าผู้มีหลักเพียงทางร่างกายมีตึกรามบ้านช่องนี่พวกที่เป็นเศรษฐีกะดุมผีมีเงินมีทองเข้าของมากๆมียศถาบรรดาศักดิ์มากๆลืมเนื้อลืมตัว ไม่สนใจต่อการสร้างบุญสร้างบุญส่ความทะนี่ถทีเหนีนยวยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีสิพวกนี้ตายแล้วลงนรกกันมากมายนะเราอยากเข้าใจว่ามหาเศรษฐีขี้เหนียวคนมียศถาบรรดาศักดิ์ลืมเนื้อลืมตัวสร้างแต่ความชั่วชา้าละมกนีจะไปสวรรค์นนะพวกนี้พวกกอบโวยเอา ฟืนเอาไฟเผาไม้ตนเองด้วยการลืมเนื้อลืมตัวเพราะยศถารดาศักดิ์เพราะสมบัติเงินทองเข้าของแล้วตายแล้วจมหายลกมีจำนวนมากนะนี่เอาสายทาจับเราจะเอาความสำคัญมั่นหมายแบบตื่นโลกตื่นสงสารมาจับนะให้เอาสายทาจับความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจน ถ้าสร้างความชั่วแล้วลงนรกได้ด้วยกันถ้าสร้างความดีแล้วไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจนไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะความดีนี้ไม่มีใครหลังเกียรเป็นสมบัติที่ทันสมัยต่อความเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอยู่ตลอดมาส่วนบาปนั้นก็เป็นภัยต่อสัตว์โลกตลอดมาเช่นเดียวกันยิงขอให้ภากรับนมัดระหว่ัง เรื่องความชั่วช้าหลุมกนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแทนนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนอย่าทะลึง่งอย่าฝ่าฝืนอย่ากล้าหารชานใยต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือการสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้หรือสังหารตนเองทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะ ลมหายใจขาดสะ บ, บัดลงไปฉะนั้นจะดีดผึงถึงกันทันทีเลยกับการามชั่วที่เราสร้างไว้ตั้งแต่คราวเป็นมนุษย์นี้จึงต้องรีบแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้สร้างหลักใจกับเรือนกายกับเรือนใจเสมอกันไปเราเป็นคารวะ ท า, ทางการอยู่การกินการใช้การสอยมีครอบครัวเยือ่อเอือนต้องมีความรับผิดชอบเลี้ยงดูกันเป็นธรรมดาเราก็ขนขอยไม่ปฏิเสธแต่ทางสมบัติภายในสาหรับจิตใจนั้นเราก็ต้องได้วิ่งเต้นขนขอยเพื่อจิตใจในโลกนี้และโลกหน้าโลกหน้าคือที่เราจะไปเกิดในภพหน้านั้นคอยอยู่เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้คอยวันนี้นั่นเองวันนี้ ผ่านจากวันนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็มานี่ผ่านจากภพนี้ไปแล้วภพหน้าของเราก็จะมาถึงภพหน้าของเราเราจะบรรจุความดีอะไรไว้บ้างไหมถ้าเราไม่ได้บรรจุความดีมิแต่ความชั่วภพหน้านั้นคือภพนรกของเราถ้าเป็นความดีแล้วภพหน้านั้นคือภพสวรรค์ของเราอยู่กับตัวของเราเองให้รีบแก้ไขแต่แปลงทั้งแต่วันนี้อย่านอนใจ พระพุทธเจ้าศาสตาดาวองค์เอกทุกพระองค์ไม่เคยสอนให้คาดเคลื่อนจากกันนาะทมแล้วไม่มีการโกหกโลกแน่นอนเหมือนกันหมดแล้วส่วนกิเลสนั้นหลอกลวงต้มตุนสัตว์โลกตลอดมานี่เดียวก็เป็นข่าศึกของธรรมมันกำลังยื้อแย่งแข่งดีกันในหัวใจของเราดวงเดียวเราจะเชื่อทางไหนให้ตัดสินใจ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะพยายามฝ่าฝืนต่อสู้กับความชั่วช้าละามกไม่ยอมทำมันถ้าเราเราจะทำตั้งแต่คุณงามความดีถ้าเราเผลอกิเลสจะลากไปทันทีนะกิเลสมันดึงมันยึดตลอดเวลาไม่ไม่มีวันอ่อนตัวนะกิเลสให้ระวังให้มากนะนี่สำหรับทำเมื่อเรายังไม่มีกำลังกล้าสามารถเรายังมีเวลาอ่อนตัว แค่ เ, เวลาได้ยินอัดยินทำจากครูอาจารย์นี้มีกําลังใจอยากสร้างคุณงามความดีแต่พอจากครูวาจารย์ไปแล้วกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตมันจะยึดจะถ่วงเราให้ลงทังต่ําเสมอสุดท้ายก็จมไปต่ำมันได้นะ mm. เนี่ยเวลาเรายังไม่มีกําลังพอแต่เมื่อมีกําลังพอแล้วก็ดังที่แสดงเมื่อตะกู่นี้ว่าธรรมะเป็นอัตโนมัติธรรมะเป็นธรรมจักรไม่ต้องไปบีบบังคับ ขับใสกันเหมือนแต่ก่อนแหละจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเมื่อทําถึงขั้นนั้นแล้วไม่ว่าท่านมาเราจะรู้ในตัวของเราเองทุกคนไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระนิพพานนี้อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมอืมการหมุนตัวเพื่อความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี่จะหมุนไปเองตลอดเวลาเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาจะก้าวเดินด้วยธรรมหมุนตัวเองหมุนตัวเองนี่ทำ ถ, ถ้าถึงทำขั้นนี้แล้วก็มีปัญหา แต่เวลานี้พวกเรายังไม่ถึงทำคันนั้นต้องฉุดต้องลากต้องฝาต้องฝืนต้องสู้ ก, กันกับความชั่วต่างๆใหา้สู้ให้ได้นะอย่าให้เสียคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนเพราะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมื อ, อนแล้วธรรมของบุดดิเก้าเลิศเล อ, เลอที่สุดเนี่ยวันนี้ได้พูด ถึงธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเพราะหลวงตาก็แก่มาทุกวันทุกเวลาพูดตรงไหนมันก็หลงลืมไปเรื่อยๆพูดแล้วลืมลืมไปแล้วก็มาพูดใหม่ก็ไม่ติดไม่ต่อกันก็เป็นได้นะเวลานี้จึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยหนะ้า <c oughs> การแสดงธรรมนี้เราแสดงด้วยความพูดให้เปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าหลวงตาบัวนี้ยันได้เลย การแสดงทำแกพี่น้องทั้งหลายว่าไม่สทกสทานว่าจะผิดไปกล้าหารชาใชัยเ <c oughs> พราะประจักษ์อยู่ในหัวใจมาแล้วแต่ก่อนก็มันรูปรูปคำคกคาดำําขาวดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเพราะมันตาบอดเดินไปไหนก็ชนแต่ต้นไม้ต้นเสาไปอย่างนั้นละ่ะเพราะคนตาบอดเมื่อตาดีแล้วมันจะชนอะไรนี่เวลาปฏิบัติตัวเข้ามา ตามหลักที่แสดงให้พระลูกพระหลานฟังคู่นี้เศียนก็เป็นที่แน่ใจมาแล้วสมาธิก็ปรากฏขึ้นเป็นที่แน่ใจแน่ใจจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญามาขึ้นสู่ปัญญาจนกระทั่งอาจฐานฌานไทยเป็นปัญญาแกวกล้าสามารถเป็นสติปัญญาสมารถก้าวเข้าสู่มหาสติมหาญามหาปัญญาฟาดอวิชชาซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติ ตามรอยมันไปถึงตัวมันแล้ววนันนั้นนันรอยเขาไมิชาอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่ท่ากลางของจิตพอตามเข้าไปถึงนั้นแล้วก็ถอนพวดขึ้นมาจากที่นั้นแล้วเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมานันและเรียกว่าลืมตาเมื่อมันจ้าขึ้นมาแล้วสงสัยอะไรทาที่รู้ที่เห็นเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้า องปัจจุบันของเราก็สอนไว้อย่างนี้อย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้เห็นในลานี้แล้วสงสัยไปไหนเมื่อเราไม่สงสัยในตัวเองทุกสัตว์ทุกส่วนเรียนประจักษ์ในตัวเองแล้วซ้อนก็เดื่นจะทกสะทสานไปที่ไหนว่าจะผิดไปนี่เรากล้าพูดถึงขนะดานนั้นจึงได้สอนพี่น้องตั้งหลายด้วยความองอาจกล้าหานต่อหลักความจริงที่รู้ทีเห็นประจักษ์ใจเต็มหัวใจเราไม่สงสัยเวล า, าโง่เราก็บอกว่าโง้ ดังที่เคยพูดให้เพื่อนฝูงฟังหรือประชาชนฟังก็มีมาหลายครั้งหลายหนเวลาประกอบความภาคเพียงกิเลสมันมีอำนาจมากๆนี่โถเราไม่ลืมนะเออไปเข้าไปอยู่ในภูเขาจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวเพราะชาตินี้เราแน่ใจแล้วหลังจากได้รับโอวาทคำทางสอนจากหลวงปู่มั่นมาในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นี่พ่านเนี่ยมันเรียนมาแล้วจงถึงขั้นมหาณนะ มันยังแบกความสงสัยไปหน้าด้านๆไปหาพ่อแม่ครยูยานมั่นได้นะพอท่านไปชี้แจงลงผังเท่านั้นแหละเรื่องนโรกสวรรค์นีมักผลนิพพานหายสงสัยทันทีเลยนั่นเราฟาดกันใหญ่เลยนี่ตอนที่ฟัดกันใหญ่นี่เรียกว่าเรามันมวยเลี้ยงควายล้วโดดขึ้นเวทีแชมเพียนเลย ถูกแชมเปี้ยนเขาฟัดเอาแชมเปี้ยนคือกิเลสตัวเก่งๆตัวหนาแน่นมั่นคงฟัดเอานี่งายลงไปงายลงไปถ้าพูดตามธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ถึงใจระหว่างเราเราไม่เป็นท่ากับกิเลสที่มันเกลียงไกรมากนั้นถ้าพูดลงว่าฟัดกับกิเลสนี่กิเลสฟัดเอานี่งายหมาไปว่าโอ้ยถึงใจเหลือเกินนะเพราะเราไม่เป็นท่ากิเลสเป็นขั้นแชมเปี้ยนเราเป็นขั้น มวยวัดนี่นะพอขึ้นไปนี่กิเลสฟัดนี่หงายหมาลงไปเครียดแคนให้กิเลสเอาฟังไห้นี่นะพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเรื่องของกิเลสเวลามันหนาหนากน้านั่นนะในหัวใจของเราเองเรามาพูดอย่างอาศรฐานเพราะเราเป็นเองเราไม่สะทกฐาน <c oughs> จะตั้งใจว่าจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวทีเดียวละว่คราวนี้จะเอาละได้ฟังอัดฟังทำจาก หลวงผูงมั่นก็มาเรียบร้อยแล้วเราจใจถึงมรรคผลิพานในชาตินี้เราจะไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องให้เป็นพระรหันต์เท่านั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ภูเขาขั้นขึ้นไปแล้วก็มวยเลี้ยงควายไปฟัดกับแชมเปี้ยนกิเลศมันซัดอมัดเดียวท่น้องหงายหมาลงเลยโอ้ยน้ำตาร่วงนะโหเครียดแชนในกิเลศถึงน้าตาล่วงทีเดียวต้องขออภัยถึงขั้นกูขั้นบึงแถวหน้น มันเป็นอยู่ในใจไม่ใช่แล้วพูดออกมาจากคำพูดเป็นคำพูดนะคือไม่เป็นท่าสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยเรื่องปัญญาอย่ามาพูดเลยไม่มีความหมายเพียงตั้งสติเท่านั้นตั้งพับเพื่อลมเพื่อลมไม่ได้อยู่ได้เลยนะสติโจนกระทั่งมีความสงสัยในตัวเององงในตัวเองคำมันความเพียนยังไงนี่นะตั้งสติทาไม พอตั้งพับล้มพอยแล้วมันตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นี่คือกิเลสมันกระแสก็มันรุนแรงขนาดนะั้นตั้งพับลมเลยไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เครียดแชนในกิเลสยางถึงใจน้ําตาล่วงอา้าวมึงเอากูถึงขนาดนี้่ยวหนาว่างั้นนะเออมึงเอากูขนาดนี้แถวหนานะเอาแล้วยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยละเครียดแช้นนะย่างถึงใจทีเดียวกลับมาอีกมากูบาจานอีก มาอบรมกับท่านแล้วกลับไปอีกฟาดจนกบมันหงายหมามาอีกเอาอีกกลับไปอีกไปอบรมแล้วกลับไปอีกพอครัง้งหลายครั้งออก็ไปก็เป็นลักษณะหงายแมวไปบ้างที่นี่นะที่แรกหงายหมาเล็บก็ไม่เป็นท่าเออจึงเรียกว่าหงายหมาพอเป็นหงายแมวลบเล็บมันยังมีนะแมวมันยังตับบได้ถึงจะล้มหงายก็ตามแต่เล็บมันยังมีมันก็ตบกิเลสได้เหมือนกัน จากนั้นมาก็เอาละที่นิจากหลายแมวแล้วก็พ อ, อตั้งตัวได้ตั้งตัวได้มีลักษณะแพ้มีลักษณะชนะกันบ้างเล็กน้อยซัต์เข้าไปไม่ถอยนี่แหละความเครียดแค้นเน่ยความเครียดแค้นอยากเข้าใจว่าจะเป็นกิเลสโดยไถ่เดียวนะคือความเครียดแค้นให้บุคคลผู้ใดก็าตามหรือสัตว์ตัวใดก็าตามนั้นเป็นความเป็นกิเลสแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสซึ่ง เป็นภัยต่อหัวใจจ้ของเครียดแค้นในกิเลสนี้เป็นมากเป็นทางเป็นทางเดินของธรรมเราเครียดแค้นในกิเลสหนักขนาดไหนความเพียรของเรายิ่งหนักสมความเครียดแค้นฟัดกับกิเลสเอาจนกระทั่งเอามีแพ้มีชนะกันล้วเอาล่าทีนี้ได้ที่แล้วฟาดกันเลยต้องขอภยัยพอถึงขั้นพอได้หลักแล้วนั่งภาวนาเอาจนกระทั่งโก้นแตกเลยเนี่ยเห็นไหมก้นแตก นั่งตลอดลุงนั่งตั้งแต่ยังไม่ขําบางวันฟาดจรงกระทั่งสว่างไม่เปลี่ยนท่าไหนเลยนั่งขะสมัดไม่มีขั้นการยกเว้นว่า <c oughs> ปวดหนักปวดเบาไม่มีปวดเบาก็เอาถ่ายออกเลยปวดหนักออกเลยบอกขนาดนั้นคือพูดคือมันเป็นในหัวใจยังเด็ดขาดกันเลยเถอะเอาปวดหนักก็ออกเลย ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันขี้ใส่ตักแม่มากี่ครั้งกี่หัวแล้วแม่ยังไปซักได้เรานั่งภาวนาเนี่ยขี้ทะลักออกใส่กีวรเราไว้ซักไม่ได้แล้วไปฆ่าทิ้งเสียหนักศาสนาเพรา ะ, ะนั้นจึงไม่มีข้อแม้เอาเลยจนกระทั่งถึงสว่างสว่างเมื่อหลายคืนต่อหลายคืนไปที่แรกมันก็ออกร้อนก้นต่อมามันก็พองจากพอมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะนี่คือนั่งไม่ถอยไม่ถอยนี่คือความเครียดแทใ้ในกิเลสนะ จงริงว่าเป็นมากมีกําลังเป็นมูมานะเอาอย่างสูดฉีดสุดแดนฟาดนี่จนกระทั่งกิเลสอยู่ในเงื่อมมือเอาลาทินีได้ทีแล้วฟาดกันใหญ่เลยนลั่นแหะที่วันนั่งหามลุ่งหามขําจนกระทั่งก้นแตกเพราะอํานาจแห่งความเครียดแค้นให้กิเลสจึงเรียกว่าความเครียดแค้นนี่เป็นมากเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เหมือนความเครียดแค้นให้สัตว์ให้บุคคลตัวใดนั้นเป็นกิเลสล้วน พรามแแค้นในกิเลสภายในใจของเรานี้แก้กิเลสอันนี้เป็นเป็นมากเป็นมากเราจรึงได้มาเป็นคติตัวอย่างได้สอนพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> มาอย่างนี้เราเป็นมาอย่างนั้นเราอาจฐานฐานใจในการแนะนำสั่งสอนเราไม่มีโสกสถานในสามแดนโลกธานนี้เราไม่เคยสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดหัวใจนี่ใจนี่ได้ถึงเป็นธรรมธาตุแล้วคาว่าธรรมธาตุ คือใจที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเป็นธรรมาธาตุใจพุทธิเจ้าใจพระหลานทั้งหลายปเป็นธรรมาธาตุใจอันนี้มันก็เป็นธรรมาธาตุอย่างเดียวกันไม่ได้วัดรอยกันนะ่ะมันเป็นเหมือนกันแล้วจะให้พูดว่าอย่างไงก็ต้องบอกตามเรื่องของมันเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมาธาตุมันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยเดียวตั้งแต่บัตรนั้นมาโจรกระทั่งบัตรนี้เป็นเวลาร่วมห้าสิบปีแล้วนะ กิจดวงที่สว่างเจ้าเป็นธรรมธาตุอาจอ่านทานไัยไม่มีสโกท่านในแสมอันสามแดนโลกธาตุนี่ว่าจะขยักขยั่งกับสิ่งใดไม่มีเลยนั่นเห็นไหมอาหํานาจของธรรมเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุแล้วนั่นละธรรมประเพณี น, นี่แหละที่นํามาสอนโลกเวลานี้เฉพาะ อ, อย่างยิ่งกับลํานําพี่น้องชาวไทยเรา <c oughs> ด้วยอัดด้วยธรรม คือวัตถุเราถือเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยชาติไทยของเราในจุดที่บกพร่องเช่นทองคําเงินสดดอลลาร์นี้เป็นการช่วยตัวปายเหตเออุเงินทองเข้าของดอลลาร์มีเทไห่เราก็ไปซ่อมแซมจุดที่บกพร่องแห่งครงหลองของเราส่วนหลักใจคือฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องชาวไทยให้เข้าสู่อั่ธรรมเพื่อเป็นกาลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะต่างคนต่างเชื่ออดเชื่อธรรมดำเนินตนการธรมาหาเลี้ยงชีพด้วยความประหยัดมัธยัติมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินแล้วชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นการธรมาหาเลี้ยงชีพของเราก็มีขอบเขตไม่สุรุ่สุรายฟุ่งเฟ้อเหินเกินเนื้อเกินตัว หังที่เคยปฏิบัติมาเป็นมานี่เมื่อได้อัดได้ทําเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีกําลังลื้อฟื้นตนเองปรับเนื้อปรับตัวทุกคนการอยู่การกินการใช้การสอยขอให้ต่างคนต่างประหยัดมัธยาศัยอย่าลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างตลอดการค้าการขายเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนาก็ <c oughs> ให้พากันระมัดระวังอย่าทําเหมือนแต่ก่อนนะตัตตะก่อนเมืองไทยเหล่านี้เป็นเมืองโลเล เพราะมันเป็นเมืองสมบูรณ์มาตั้งแต่ปู่ย่าตาใหญ่ของเราไม่เคยโอดอยากเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ํา <c oughs> นี่มันเมื่อไม่โอดอยากแล้วก็ใช้ตามอธัธยาศัยอธัธยาศัยเมื่อใช้ไปนานๆมันก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาเลยเป็นนิสัยคนสู่รุ่นสูล่ลืมเนื้อลืมตัวการจับจ่ายใช้สอยไม่คิดไม่อ่านว่าจะสิ้นเปลืองหมดไปมากน้อยเพียงไรเลยกล้าวเข้าสู่ความยากควมจนเข้าไปโดยลําดับนี่เห็นไหม เมืองไทยของเราจะร่มจะโฉมเพราะความฟุ้มเฟือยของเมืองไทยเราที่เคยต่อนิสัยของตนมาแล้วทีนี้นให้ปรับปรุงตัวเองอย่าให้เป็นนิสัยอย่างนั้นเหตุการณ์มันบังคับแล้วเวลานี้เราเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนาคนมีจํานวนมากเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกันมีทั้งทางได้ทางเสียถ้าเราปรับตัวไม่ดีเรามีทางเสียถ้าเราปรับตัวดีแล้วก็มีพอฟัดพอเหวี่ยงกันไป เช่นการซื้อการขายเกี่ยวข้องกับเมืองนอกเมืองนาเขาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะแล้วการเที่ยวเมืองนอกก็เหมือนกันหากไม่จําเป็นก็อย่าพากันไปเที่ยวเตะๆแล่นๆสิ้นเงินสิ้นทองไปเงินไปเท่าไรเท่าไหรหันกลับมาก็มีแต่กระเป๋าแฟบกระเป๋แฟบคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไป ขายไปก็ขนเงินเมืองไทยเราไปขนเงินเมังไใดเท่ากับขนปัดขนตับขนปอดของเมืองไทยเราไปทุ่มลงเมืองนอกให้เขาเผาแหลกหมดกลับมาตั้งตั้งแต่ภูุิแฟบแฟบกระเป๋าแฟบแฝ บ, แ, บ, แ, บแล้วต่างคนก็ต่างเป็นหนีจมได้ไม่สงสัยขอให้ปรับเนื้อปรับตัวไม่จําเป็นขอบินทบาทพี่น้องชาวไทยเราญาติไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเตเตเลล่น ด้วยความสนุกสนานหาหลักหาเกณฑ์มาได้เป็นความฟุ่งเฟือยเป็นคนหลักรอยให้ปรับเนื้อปรับตัวการซื้อการขายก็เหมือนกันทุกอย่างนะอันไ น, นไม่สมควรซื้อของเมืองนอกอย่าซื้อของเมืองไทยเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งใช้ได้เหมือนกันให้พยายามซื้อของนเมืองไทยเราเพราะคนไทยเราด้วยกันสมบัติเป็นของเมืองไทยเรา ไปซื้อไปขายจับจ่ายกันที่ไหนก็เป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันของคนถอยเดียวกันอุดหนุนกันต่างคนต่างอุดหนุนกันต่างคนก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาผู้ที่ขายเช่นโรงงานต่างๆเขาทำไว้เพื่อขายเราไปซื้อของคนไทยด้วยกันเมื่อต่างคนต่างซื้อต่างหากันได้คนไทยด้วยกันแล้วผู้ที่ได้รับการอุดหนุนมันก็มีกาลังใจคนเรา แล้วการผลิดอะไรขึ้นมาก็ชำนี้ชำนานเพราะมีผู้ไปอุ่นหนุนและมีกำลังใจผลิดขึ้นมาผลิดขึ้นมาของแต่ก่อนไม่ค่อยดีก็ดีขึ้นอีกขึ้นดีไม่ดีเมืองนอกสู้ไม่ได้ถ้าเมืองไทยเรามีแก่ใจที่จะอุ่หนุนกันขอให้น้องหลายคิดข้อ น, นี้ให้มากนะแล้วมีอะไรอุ่หนุนกันไม่จำเป็นไม่ถ้าของเขาไม่เราไม่มีมีแต่ของเมืองนอกเออจาเป็นไม่ว่าของเขาของเรานะ เมื่อเขาไม่มีเขาก็มาซื้อเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่มีก็ไปซื้อของเขาแต่ที่มีอยู่หากเป็นความบุ้งเฟ้อเหินโดยความลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้อย่าทําในเมืองไทยของเราให้ฝังนิสัยใหม่นิสัยคนไทยของเรารักทักจะเลื่อนลอยตามที่เคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งเป็นเมืองฟุ่มเฟือยมาแล้วเมืองสมบูรณ์ ผ, ผุนผลทําให้คนลืมเนื้อลืมตัวเลยกลายเป็นคนไทยลืมเนื้อลืมตัวทั้งประเทศทนี้ให้ปรับเนื้อปรับตัวเข้ามา ต่างคนต่างรากักต่างสงวนชาติไทยของเราการซื้อการขายทุกอย่างให้คำหนึ่งถึงชาติไทยของเราเสมอไม่ควรซือ้อยาซื้อของเขาเอซื้อของเมืองไทยของเรามาใชา้เอาจะไม่ดีบ้างไม่เป็นไรเฮอก็ของเมืองไทยเร า, เ, าเงินไม่ล่วนไหลไปไหนเงินล้วนไหลเป็นของดีที่ไหน่าดีดีดวายเฉยแต่เงินมันมดหมดไปเท่าไหร่เลยมันเสียตรงนั้นเอาของที่เงินไม่ออก เพินอยู่เมืองไทยถึงไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรต่อไปจะดีไม่ว่าเสื่อว่าผ้าว่าวัตถุต่างๆถ้าต่างคนต่างอุดหนุนกันแล้วผู้ที่ได้รับการอุดหนุ น, นก็มีแก่ใจมีแก่ใจแล้วก็ผิดขึ้นมาด้วยความปอใจต่อไปก็ชํานาญเองเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองได้นี่เป็นหลักใหญ่ที่จะพื้นชาติไทยของเรานะอันนี้เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าเงินทงองของที่เรานําไปช่วยนี้เป็นโตเป็นปลายเหตุ ส่วนหลักที่เป็นโทษเหตุจริงๆนี่แหละคือการฟื้นฟูชาติไทยของเราด้วยทางด้านจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาอย่าเลื่อนลอยให้มีหลักต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างหนังตัวขึ้นมาเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมทุกอย่างก็จะมีในใจของเรามีขอบมีเขตแล้วสบายทั้งนั้นล่ะวันนี้การแสดงธรรมก็ เห็นว่าสมควรจะเวลารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลายังขออภัยจากบนาพี่น้องทั้งหลายด้วยเวลานี้เท่าแก่มากแล้วการแสดงธรรมก็เปิดเผยพี่น้องทั้งหลายได้ฟังอย่างถึงถึงใจว่าเราแสดงธรรมนี้เราแสดงด้วยความอาถรรพ์ฌานัยเปิดเผยออกมาจากหัวใจของเราเองซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นแต่ก่อนเราไม่เคยรู้ แต่เวลาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเข้ามามันรู้กันมาอย่างนี้จะให้ว่าไงรู้ก็ต้องบอกว่ารู้แล้วรู้นี่ก็เป็นรู้ธรรมด้วยสอนธรรมผิดไปที่ไหนการสอนธรรมสอนด้วยความเมตตาสงสารแล้วไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดความโอ้อวดเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่นํามาสอนเราปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อกิเลสเราปฏิบัติเพื่อธรรมเมื่อรู้ไม่เห็นมาอย่างไรแล้วเราก็ต้องสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธของเราให้เป็นกติเครื่องเตือนใจมีกําลังใจที่จะิบัติ ปฏิบัตได้ว่าศาสนาพุทธของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ได้คืบไม่ได้ล้าสมัยขอยปฏิบัติเถิดอสินค้าแห่งพระพุทธศาสนาคือคือมรรคผลนิพพานนั่นแหละสินค้าคือบุญคือกุศลเป็นสินค้าอันใหญ่หลวงที่เราทั้งหลายกําลังขอนคอยสร้างอยู่อันนี้เอาผ้ากันสร้างเถิดนาะมรรคผลนิพพานอยู่ใน เงื้อมือของเราซึ่งเป็นชาวพุทธโดยไม่ต้องสงสัยละการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรกับเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน